เนี <N> ่ย <N> ในปัจจุบันนี้เราจึงหาผู้ที่จะรู้อดีตดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไกลแสนไกลเช่นนั้นก็ไม่ได้เสร็จแล้วความเป็นผู้ถึงพร้อมโดยวิชาของผู้มีอุปาทิยานั้นจึงต่างจากความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาของผู้ที่มีความรู้ทั่วไปส่วนตุวปปาตยานนั้นหมายถึงยานที่ย่างรู้ถึงการตุิติปฏิสนธิของสัตว คือสามารถที่จะรู้ได้ว่าสัตว์ประกอบกรรมช่นนี้จะต้องไปเกิดในพศไหนอย่างไรตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนรู้อย่างนี้คือรู้ถึงกรรมของสัตว์นั่นเองว่าสัตว์ทำกรรมช่นนี้จะต้องไปเกิดอยู่อย่างนั้นในนี้เรียกว่าสุตูตปาปิยานส่วนอาสวัคค ย, ยานนั้นเป็นยานที่อย่างรู้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะิเลสแต่ ว, ว่า กิเลสจะสิ้นไ ป, ไปนี้บางท่านก็รู้บางท่านก็ไม่รู้อย่างความเป็นผู้สําเร็จในมัผลนั้นต้องอาศัยผู้อื่นพยากรณ์ก็มีพระสรัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงรู้ถึงความสึ้นไปแห่งอาสวะของพระองค์เองด้วยยังรู้ถึงจิตของคนอื่นว่าอาสวะสึ้นไปแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงพยากรณ์อรหัตสมัติอรหัตผลโสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลแก่ พุทธศาสนิกชนในสมัยนั้นมากมายเช่นกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นลูกเป็นอรหันต์แล้วท่านผู้นี้เป็ลูกเป็นโสดาบันแล้วการที่จะรู้ว่าผู้ใดสมเด็จเป็นพระอรหันต์หรือสมเด็จเป็นโสดาบันบุคคลนั้นจะต้องอย่างรู้ด้วยจิตที่เรียกว่าเจโตปรยายาิยญาณหรือพระกิจ ต, ตวิชานนะจึงจะสามารถอย่างรู้ได้ว่าผู้นี้ มีอาศวะสิ้นไปมากน้อยเพียงใดนี่เจ้าผู้มีพมระภาพเจ้าสามารถทราบได้จึงพยากรณ์สาวกได้ว่ารูปนี้สมเร็จชั้นนั้นชั้นนี้แล้วแต่ถ้าเราไม่มีญาณอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครสมเร็จมรรคผลแล้วหรือยังอย่างเคยมีโยมมาขอหนังสือสำคัญจากอัตมาบอกว่าขอให้ท่านช่วยเขียนรับรองหน่อยถือว่าผ ม, มเราสาเร็จเป็นพระสกะทาคามีแล้ว อาตมาบอกว่าเขียนไม่ได้เพราะว่าอาตมาไม่รู้ว่าโยมสําเร็จขั้นไหนให้อาตมาเขียนรับรองว่าสําเมร็จเป็นพระอนาคามีแล้วรับรองกันไม่ได้แล้วก็พยากรณ์ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีมรรคผลที่จะไปพยากรณ์ไม่มียานอันใดที่จะอย่างรู้ได้จะไปพยากรณ์ได้อย่างไรพยากรณ์ไม่ได้เนี่ยเป็นเป็นยานที่ทศ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุแล้ว ถ้าเป็นวิชาสามก็หมายถึงวิชาทั้งสาประการนี้ถ้าเป็นวิชาแปดก็หมายถึงอภินญาหกหมายถึงวิปัสสนาญาณและมโนมยิฐที่ก็เป็นวิชาแปดคือตีความหมายโดยทั้งสองในยะเดวยกันเรี่องความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชานั้นหมายถึงอย่างนี้เรือความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเจรณนะเรื่องของเจรณะนี้เป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าเจรณะนั้น ประกอบด้วยคุณสมบัติหลายอย่างเจรณะนั้นต้องประกอบด้วยคุณสมบัติถึงสิบห้าประการด้วยกันจึงเรียกได้ว่าเป็นเจรณะคือเป็นความประพติดีหรือเป็นความสามารถดีรวมเป็นเจรณะสิบห้าเจรณะสิบห้านั้นคือหนึ่งอินทรีสังวรสีรสมรนนั้นคือความเป็นสู้สมรวมในศีล ท, ที่มีมาในพระปาติโมก เป็นผู้สมรวมในกายในวาจาผู้ที่มีความสมรวมในกายวาจาอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นผู้มีศีลสังวรหรือศีลสังวร น, นี่เป็นเจรณะข้อที่หนึ่งเจรณะข้อที่สองคืออินทรียะสังวรหรืออินรีสังวรอินศีสังวรในที่นี้ก็คือความสำรวมในอินรีหกเช่นความเป็นผู้สเรวมในจักขุนี คือสำรวมในตาหูจมูกริ้นกายใจความสำรวมในตาหูจมูกรินกายใจนั้นก็คือเป็นผู้มีสติในอินทรีย์ทั้งหกนี้ทุกๆขนะเช่นตาจะเห็นรูปก็มีสติรู้เท่าทันว่ามีสักแต่ว่าเป็นรูปเท่านั้นแม่หูจะได้ยินเสียงจะเป็นเสียงอะไรก็ตามจะเสียงดนทาว่าร้ายเสียงสัสมเดินยอ เราฟังแล้วเราก็ต้องกําหนดรือทันทีว่านี่สักแต่ว่าเป็นเสียงเท่านั้นเป็นสัทธารมณ์ถ้าจมูกโดนสัมผัสกับกลิ่นก็ให้มีความรู้สึกว่านี่สักแต่ว่าเป็นกลิ่นลิ้นได้สัมผัสกับรสก็ให้มีความรู้สึกว่านี่สักแต่ว่าเป็นรสตายโดนสัมผัสถูกต้องกับโสสัทารมณ์ก็ให้มีความรู้สึกกระเทียมว่านี่สักแต่ว่าเป็นกระเทียมโพสัทธารมณ์ ใด้วยมุขคิดถึงเรื่องธรรมารมณ์ก็ต้องมีสติรู้เท่าฐานว่านี่เป็นเพียงธรรมารมณ์บุคคลที่มีสติควบคุมในอินทรีย์หกอยู่ทุกพุทธขณะอริยบทเราเรียกท่านผู้นั้นว่าเป็นผู้มีอนินทรีย์สังวรเป็นผู้สมรสมวมสำรวมในอินทรีย์ขั้นประการนี้นี่เป็นเจรณะข้อที่สองส่วนเจรณะข้อที่สามนั้นคือโพชเมมัปตันยุตา โพเนมัตตัญุตาในทีนก็หมายถึงความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคเธอรู้จักประมาณในการบริโภคก็คือเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่จะเป็นเครื่องลุ่มห่มเส น, สนาสณะคีลานเภสัชหรือจะเป็นอาหารบิดมบาตก็ตามต้องรู้จักประมาณในการบริโภคถ้าเป็นโภชนาหารก็หมายถึงว่าบริโภคจะพอ ค, ควร คือไม่บริโภคมากเกินไปจนอิบอัดหรือเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ผู้บริโภคความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสี่นี้เรียกว่าโพชนเนมัตดตันยุตาคือรู้จักประมาณไม่บริโภคเกินไปประการที่สี่ชาคริยามโยคคาว่าชาคริยามโยคในที่นี้โดยความหมายก็คือเป็นผู้บำเพ็ญความเพียรอยู่เสมอเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา คือไม่ใช่เวลานี้ปล่อยไปโดยที่ไม่มีประโยชน์แต่ได้ใช้เวลานี้ภาพเพียนในการปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจของตนเองให้สงสัยขึ้นตาม ล, ลําดับอย่างนี้เรียกว่าชาคริยานุโยคคือบําเกิดความเพียนขัดเกลากิเลสนั่นเองคือทําให้เบาบางลงทําให้เบาบางลงอยู่เสมออย่างนีเรียกว่าชาคริยานุโยคซึ่งเป็นเจรณะข้อที่สี่เจรณะข้อที่ห้าก็คือศรัทธา ศรัทธาในที่นี้หมายถึงความเชื่อหมายถึงความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อนี่แหละเรียกว่าศรัทธามีศรัทธาอันมั่นคงถ้าเป็นพุษษทธศาสนิกชนก็ต้องมีปถาคาตะโพธิศรัทธาคือมีความเชื่อในการต่อรูขอ้ของพู้สมาตพุทธเจ้ามีกรรมศรัทธาคือเชื่อในกรรม เือในการกระทำของตนเองว่าทำกรรมดีต้องได้รับผลดีทำกรรมชั่วต้องได้รับผลชั่วอย่างเนี้เรียกว่ากรรมสัทธาดิพา ก, กัทถาก็คือเชื่อในผลแห่งกรรมว่าบุคคลทํากรรมแล้วต้องได้รับผลแห่งการกระทาที่จะไม่ได้รับผลแห่งการกระทานั้นไม่มีเลยความเป็นผู้มีสัทธานั้นก็คือสัทธานในเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความงลงายจนกระทั่งขาดเหตุผล สัทานั้นจะต้องเป็นไปในลักษณะดังกล่าวนี้แหละเรียกว่าศรัทธาในเจรณะเพราะที่รพระพุทเจ้าเป็นพูดถึงกร้อมดูศรัทธาข้อนี้เป็นเจรณะข้อที่ห้าเจรณะข้อที่หกคือสติสตินี้ก็คือความระลึกได้อันเป็นอุปการะธรรมแก่บรรดามนุษย์ทุกรูป ท, ทุกนามถ้าหากวารมูสติควบคุมกายอยู่ ควบคุมวาจาอยู่ควบคุมใจอยู่จิตนี้ตายนี้วาจานี้ก็ไม่ประกอบอกุศลในความเป็นผู้สติมีสตินั้นจึงจัดว่าเป็นผู้ที่มีอุปการะมากเจริญะข้อที่เจ็ดคือวิทยะวิทยะนี้ได้แก่ความภาพเพียรอย่างมั่นคงเราจะเห็นได้ว่า เรื่องทั้งความเพียร น, นั้นไม่มีใครจะเหนือเท่ากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญความเพียรมาทั้งอดีต ท, ทั้งในปัจจุบันที่จะตรัสรู้เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ทรงปฏิบัติทุก ด, ด้านทดลองปฏิบัติทุกอย่างแม้กระทั่งไม่ เ, เสด็จไยญาหารเลยก็เคยทดลองและปฏิบัติมาแล้ว อันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีวิริยะคือตามภาพเพียนในการปฏิบัติเพียนจนกระทั่งได้สำเร็จมรรคผลถ้าเราศึกษาในเรื่องอดีตเราก็จะพบว่าในสมัยที่สเสวยสัะชาเป็นสมมหชชนกแม้ว่าจะต้องลอยคออยู่กลางทะเลหลวงมองไม่เห็นฝั่งก็หาได้ยออท้อทอดทิ้งความเพียรไม่ยังคงแหวกวาย ไม่ยุดย่อนแม้ว่าจะมองไม่เห็นฝั่งมองไม่เห็นจุดหมายเลยว่าจะว่าวไปทําไมแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ใช้ความเพียนไม่ใช้ความเปรียดคร้านมาทําลายความเพียนไม่ทอดทิ้งความภาพเพียนอันนั้นหรือความเชื่อมั่นว่าถ้าความเพียนตั้งมั่นอยู่ในที่ไหนความสําเร็จย่อมมีอยู่ในสถานที่นั้นฉะนั้นจึงได้ใช้ความเพียนอันนี้อย่างมั่นคงแล้วก็ได้สําเร็จจริงๆนําชีวิตให้รอดจากความตายได้ เนี่ยเพราะมีปริยะคือความมั่นคงอย่างนี้สำหรับในจริรณาข้อที่แปดคือปัญญามีปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงโลกุตระปัญญามีพาหุสั จ, จพาหุสั จ, จคือความเป็นผู้ที่มันสะดับรบวังความเป็นผู้มีการศึกษามาก บุคคลใดก็ตามที่มีการสดับตรับฟังมากมีการศึกษามากบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้ฉลาดเพราะว่าทำให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้นแลาวผู้มีภพเจ้านั้นถึงพร้อมดูพาหุสัจจะคือเป็นผู้สดับตรับฟังมามากไม่ใช่เป็นคนสายตาแคบหรือฟังในเรื่องเฉพาะไม่ได้ฟังในเรื่องทั่วไปแต่ได้ฟังสดับตรับฟังได้ศึกษาเรื่องราว เดือได้เห็นสิ่งต่างๆมามากอย่างที่เรียกว่าเป็นพาหุสัจจะเราเรียกนในปัจจุบันนี้ว่าเป็นผู้สูตรคือผู้ที่รอบรู้มีประสบ ก, การณ์ต่างๆมามากเราก็เรียกท่านตูวนี้ว่าเป็นผู้สูตร เ, เจรณะข้อต่อไปคือหิวิได้แก่ความละอายแก่ใจหรือความละอายต่อบาปต่างๆไม่ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมนโนทุจริต มีหินิได้จต่ความละอายต่อบาปเช่นั้นมีโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปไม่ประพฤติบาปทางกายวาจาใจเรียกนี้เรียกว่ามีโอตปะตรงถึงพร้อมด้วยหินิและโอตปะทั้งสองอย่างซึ่งเป็นจรณะทั้งหมดสิบเอ็ดข้อส่วนจรณะอีกสี่ข้อนั้นเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของสมาธิจิตที่ได้ อบจนกระทั่งบรรลุถึงฌานคือรูปฌานสี่ได้แก่ได้สมบรรลุถึงปฐมฌานทุติยฌานปตปฏิยฌานจากักุติยฌานซึ่งได้แก่รูปฌานสี่รูปฌานสนี่นี้มีบริบูรณ์อยู่ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าเป็นผู้ถึงกร้อมด้วยรูปฌานสี่ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็พอจะเข้าใจแล้วว่า ความหมายของคําว่าวิชากับเจรณะนั้นก็คือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ทั้งสามประการและเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความประพฤติในคุณสมบัติสิบห้าประการนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้รับคาสัเ่เสริญจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายว่าถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณนะคือความเป็นผู้มีวิชาและมีเจรณนะทั้งสองประเภทนี้แล้วเราก็ตรวจ สนโสมยกย่องกันมาตราบเข้าถึงปัจจุบันเมื่อสรุปแล้วคาว่าวิ ช, ชากับเจรณะนั้นจึงได้แก่ความรู้ดีกับความประพฤติดีของบุคคลถ้าหากว่าบุคคลใดก็ตามถึงพร้อมด้วยความรู้ดีและความประพฤติดีทั้งสองอย่างบุคคลผู้นั้นเราจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐแล้วแต่ว่าความรู้ถ้าหากว่าไม่เกิดความรู้ในเรื่องของวิ ช, ชาความประพฤติ ไม่ได้เกี่ยวกับเจรณะสิบห้านี้ก็เป็นความประเสริฐในหมู่ชนในสามัญชนทั่วไปไม่ใช่เป็นโพชิตศักด์หรือไม่ใช่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสามัญชนก็คือบุคคลกทั่วไปที่เกิดเป็นมนุษย์กทั่วไปนี่แหละถ้าถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะทั้งสองอย่างแล้วก็จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์ทั่วไปนี้ได้เหมือนกันซึ่ง คุณธรรมทั้งสองประการนี้ย่อมเป็นของที่แม้สังคมมนุษย์เราในปัตติบันนี้ก็ยังต้องการอยู่อย่างเรามีหน้าที่ให้วิชาวความรู้แกกุลระบุหรือบุคคลทั่วไปนั้นก็จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความประพฤติดีด้วยโดยเฉพาะความประพฤดนี้เป็นเรื่องสาคัญคนที่มีความรูด้ดีแต่ความประพฤติไม่ดีประกอบแต่ทุจริตต่าง อันมีการฆ่าสับสับชีวิตมีการลักทรัพย์ประพฤติผิดในการซูดเท็สหรือดื่มสราเมรัยต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ประพฤติในทุจริตทางกายและวาจาแม้บุคคลผู้นี้จะมีความรู้ดีสุเพียนใดก็ตามก็ไม่จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐคนดูนั้นจะต้องมีทั้งความรู้ดีและความประพฤติดีทั้งสองอย่างอันนี้จะไม่เกี่ยวกับชาติตระกูล แต่เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความประพฤติตวัดพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ยกย่องคนในฐานะที่มีความรู้ดีและประพฤติดีไม่ได้ยกย่องในฐานะที่เป็นชาติสกุลอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความรู้ดีและความประพฤติดีนี้ควบคู่กันด้วยฉะนั้นบุคคลที่มีมทั้งมีทั้งความรู้ดีและความประพฤติดีทั้งสองประเภทนี้โลกจึงยกย่องและก็เป็นสิ่งที่สังคมมนุษย์เหล่านี้ต้องการอยู่โดยทั่ ว, วไป ได้ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิ ช, ชาได้จรณะทั้งสิบห้าประการนี้จึงมีความจําเป็นในชีวิตของคนธรรมดาถ้ามีความรู้ดีด้วยมีความสามารถดีด้วยหรือมีความประพฤติดีด้วยก็จะทําให้การประกอบคุณงามความดีนั้นสมบูรยิ่งขึ้นความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิ ช, ชานี้เองถ้าได้กล่าวว่าสมบัติทั้งสองประการดังกล่าวนี้แหละ ที่ทําให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยคุณธรรมแห่งความเป็นสุพพะนี้โดดเป็นบุญยิ่งขึ้นเกียวความเป็นผู้ถึงพร้อมโดยวิชาสามความถึงพร้อมโดยวิชาสามนั้นยังความเป็น ส, สัพพันยูให้เกิดขึ้นแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่เราเรียกกันว่าพร ส, สัพพันยุตยาณ เขาว่าสัพพัญยุตยา น, นี้ก็แปลว่ายานหรือความรู้ในสัมถสิ่งต่างๆคือรู้สัมถสิ่งต่างๆมากมายอย่างนี้เรียกว่าสัพพัญยุตยานมียานหรือความรู้ในในสัมถสิ่งทั้งหลายไม่มีสิ่งใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสัพพัญยุตยา น, นี้ก็ได้อํานาจแหแ่งวิชาสามวิชาสามนี้เองทําให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยก็สัพพัญยุตยานังกล่าวนี้ ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเจรณะสิบห้านั้นยังความเป็นผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตวโลกเป็นเหตุทําให้เทสมมาสมพุทธเจ้านั้นมีความสงสารสั่งสอนสัตว์เพราะมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์ตวโลกนี้เองเราจึงได้รับหลักธรรมซึ่งก่อตั้งเป็นพระพุทธศาสนานี้ขึ้น เม่อได้อำนาจแห่งพระมหากรุณาธิคุณถ้าหากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ได้มีความสงสารต่อสัตว์โลกแล้วก็คงจะไม่ประกาศพระพุทธศาสนาไม่ประกาศสัจธรรมเราทราบได้เป็นอย่างดีว่าในสมัยที่ทรงตรัสรู้ใหม่ๆได้ทรงเรียนไปเพื่อความสันโดษไม่ได้รงพระทยว่า จะประกาศสัจธรรมเพราะว่าได้อย่างดูแล้วว่าพยานที่ได้บรรลุถึงธรรมนั้นสัจธรรมนั้นสุขุมลึกซึ้งมากยากอย่างยิ่งที่สัตว์ธรรมดาจะอย่างถึงทงพอพระไทยไม่คิดจะประกาศสัจธรรมถ้าหากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ประกาศสัจธรรมพระพุทธศาสนาจะเกิดได้หรือไม่ คาว่าพระพุทธศาสนาโน้นก็ไม่เกิดเราจะไม่ได้คําสอนนี้มาเป็นหลักปฏิบัติในปัจจุบันนี้เลยเมื่อพระพุทธมีพรเจ้าค้นพบแล้วก็จะเป็น ป, ปฏิบัติเพียงพระองค์เดียวเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นจะไม่นึกถึงสัตว์ตื่นฉังนั้นด้วยปัญหาศาสนาทุกคุนนี้เองจึงได้แผ่พระยานตรวจ ด, ดูอินทรีย์ของสัดว์โดยละเอียดก็ ทรงประจักษ์ว่าสัตว์บางประเภทนี้มีกิเลสในใจน้อยอยู่แต่เพราะว่าขาดผู้นําขาดผู้ที่จะไปสั่งสอนบุคคลเหล่านั้นจึงไม่มีโอกาสได้บรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นจึงได้ตักสินพระทยประกาศพระพุทธศาสนาหรือประกาศสัจธรรมนี้ขึ้นเนี่ยเพราะพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธศาสนาจึงเกิดและก็มีอยู่ถึงปัจจุบันนี้ เวลานี้เราเว้นจัด ก, การประพฤติชั่วประพฤติดีซึ่งเป็นเหตุหนึ่งทำให้ชีวิตของเราไม่ต้องลำบากไม่ต้องไปเกิดในอบายภูมิก็เพราะเราได้อาศัยการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีคำสอนในศาสนาอย่างนี้เราก็อาจจะคิดว่าทำบาปนั้นเป็นความสนุกสนานเหมือนบุคคลที่ฆ่าสัตว์เป็นกีฬาหรืาการฆ่าสัตว์หรือการ แบบตื่นเข้าป่ายิงจับนั่นเป็นของสนุกสนานการไปตกปลายิงนกตกปลานั้นเป็นของสนุกสนานเป็นเกมกีฬาหนึ่งซึ่งอันนี้เพราะไม่รู้ว่าการกระทําเช่นนั้น่เป็นบาปและเมื่อตอนเองกระทําไปได้วยความไม่รู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าบาปนั้นจะไม่เกิดขึ้นแก่ตนแม้เราจะไม่รู้บาปนั้นก็เกิดขึ้นแก่ตนเพราะเรามีเจตนาในการทําบาปแม้ว่าจะไม่รู้ก็ถือว่าเป็นบาป อย่างเราไม่รู้เลยว่าฆ่าสัตว์เนี่ยจะบาปก็คิดจะเพียงสั้นๆว่าสัตว์ทุกประเภทที่เกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์เมื่อฆ่าแล้วก็ไม่น่าจะบาปแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นถือว่าบาปความไม่รู้นี่เองที่ทําให้เราต้องฆ่าสัตว์ถ้าเรารู้แล้วเราก็คงจะไม่ฆ่าฉะนั้นเหมือนบุคคลที่ทําบาปก็เพราะว่าไม่รู้ก็ไม่รู้มาก่อนถ้ารู้แล้วก็คงจะไม่ทําเนี่ยเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าไม่มีคำสอนเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ไม่ได้ว่าทำอะไรเป็นบาปทำอะไรเป็นบุญเราจะไม่รู้วิธีปฏิบัติว่าจะทําจิตอย่างไรชีวิตนี้จึงจะเป็นสุขจะดำเนินชีวิตอย่างไรชีวิตนี้จึงจะปลอดภัยทั้งในชาตินี้ปลอดภัยทั้งในชาติหน้าหมายถึงว่าชาตินี้ก็ไม่ต้องสูประกรรมลำบากชาติหน้าก็ไม่ต้องไปตกนรกหมกไหมว่าเราจะปฏิบัติอย่างไร คนนี้ถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่สอนไว้เราก็ไม่รู้แต่นี่เพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สอนไว้เราจึงรู้ว่าควรปฏิบัติอย่างนี้ควรเว้นในสิ่งที่ควรเว้นและควรปฏิบัติในสิ่งที่ควรแก่การปฏิบัติก็คือให้เว้นจากอกุศลทั้งปวงแล้วก็ปฏิบัติไปในสิ่งที่เป็นกุศลทั้งปวงอย่างนี้ก็ต้องอาศัยการตรัสรู้ ฉะนั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพวกเราจึงทำให้สาธุชนส่วนมากได้รู้ว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรอันเนี้ยถือว่าเป็นความรู้ที่สูงกว่าความรู้ทั้งหลายที่เราได้มาด้วยการศึกษาเราเรียนอันเป็นเครื่องประกอบในการดำรงชีพตตัวความรู้เช่นนี้เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับชีวิตของเราเองโดยเฉพาะทุกรูปทุกนามแต่เราไม่รู้ในเรื่องนี้แล้ว เราอาจจะตกนรกหรือบางทีไปรู้เข้าก็สายไปแล้วมีโอกาสบำเพ็ญความดีน้อยเพราะว่าระยะเวลาของชีวิตของคนนั้นมีน้อยเหลือเกินถ้าเปรียบเทียบกับการเวลาที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันนี้เราก็มีเวลาเกิดกันมาน้อยคนหนึ่งไม่กี่สิบปีบางคนเสียดายกว่าจะรู้ว่า การกระทําเช่นนี้ไม่ดีการกระทําเช่นนี้ดีหรือการกระทําเช่นนี้เป็นบาปการกระทําเช่นนี้เป็นบุญก็ต้องเมื่อชีวิตใกล้จะดับไปแล้วและเมื่อจะใช้ชีวิตบําเพ็ญความเพียรอีกก็สายไปมีเวลาทําความดีน้อยไปแล้วชีวิตก็ต้องตายจากโลกนี้ซึ่งเราจะหาโลกไหนบําเพ็ญความเพียรได้มากเหมือนโลกมนุษย์เนี่ยไม่มีอีกเราจึงควรที่จะได้ศึกษาและก็ใช้เวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้ ทำความดีกันให้มากให้เป็นเปี่ยมถึงเราจะตายจากโลกนี้ไปก็ไปอย่างภาคภูมิไม่ลำบากคนทำความดีมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ไม่ลาบากแม้จะจากไปก็ไม่ลำบากสบายทั้งปัจจุบันและสบายทั้งอนาคตทั้งสองอย่างเนี่ยเราจึงต้องระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าในฐานะที่ถึงพร้อมโดวยวิชาจารณะสัมปันโนดังกล่าวนี้ นั้นถ้าท่านทั้งหลายไดย้สาธยายพระพุทธมวลนบทนี้ครั้งใดก็ขอให้ท่านนึกถึงความหมายว่าวิชากับเจรณะนั้นมีความหมายดังที่ได้บรรยายมานี้เมื่อเรานึกถึงแล้วก็จะทำให้เกิดปิติปราโมทย์ในการประเพณความเพียร น, นี้ได้มากขึ้นนี่เป็นพระพุทธคุณบทที่สามในด้านการปฏิบัตินั้นเราก็ใช้บริกรรมวิาวชาจรณะสัมปันโนวิชาจรณะสัมปันโน เอาจิตบริกรรมอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาใช้คำวิชาจารยสอมปันโนก็ใช้ได้พระพุทธคุณบทที่สี่คือคำว่าสุขโตสุขโตนี้แปลตามศัพท์แปลว่าสเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้สเสด็จไปดีแล้วสเสด็จไปดีแล้วเนี่ยสเสด็จไปไหนถึงเรียกว่าสเสด็จไปดีแล้ว คำว่าเสด็จไปไหนนั้นเราจะต้องศึกษาว่าความหมายของคำว่าสุขโตคือความเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วนั้นเสด็จไปอย่างไรคำว่าสุขโตคือความเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วนี้มีความหมายอยู่สี่ประการด้วยกันประการที่หนึ่งเพราะพระองค์มีทางเสด็จไปดีงาม หมายถ้งว่ามีทางเสด็จไปดีงามหรือมีทางเสด็จดำเนินไปงามมีทางเสด็จดำเนินไปงามอย่างเนี้ยเรียกว่าสุขขโตเดินอย่างกับเราจะไปสู่จุดหมายด้วยความสวัสดีได้ก็จะต้องมีหนทางไปเช่นอย่างเป็นต้นว่าเราจะไปจังหวัดนครปฐมเนี่ยไปน้ำมาสการองพระปฐมเจดีย์องค์พระปฐมเจดีย์นั้นเป็นจุดหมาย แต่เราจะทำอย่างไรจึงจะไปถึงองค์พระปฐะมเจดีย์นี้ด้วยความสวัสดีได้เราก็ต้องอาศัยทางถามว่าทางไปองค์พระปฐะมเจดีย์เนี่ยมีไหมก็มีมีถนนเพชรเกษมเนี่ยไปองค์พระปฐะมเจดีย์ถนนเพชรเกษมดีไหมดีผิวจราจรเรียบไปด้วยความสะดวกเราไปเส้นทางนี้ ถึงองค์พระปะถมเจดีด้วยความสวัสดีอย่างนี้ก็เรียกว่าสุขโตเพราะมีทางไปดีนี่เป็นข้อเปรียบเทียบแต่ทางไปดีหรือมีทางเสด็จดำเนินไปงามนั้นทางในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงทางที่เป็นทางกายหรือทางเท้าทางรถยนต์หรือทางเรือทางอากาศแต่หมายถึงทางใจทางของใจนั้น ต้องมีอยู่เพราะการเสด็จไปดีงามนั้นหรือการเสด็จดำเนินไปงามนั้นหมายถึงทางเสด็จที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตจิตจะต้องมีทางด้วยอย่างที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าทางแห่งความนึกคิดที่ดีกว่านี้มีอีกหรือไม่หรือเราบอกว่าคิดไม่ออกทางมันตันหมดทุกด้านก็แสดงเห็นว่าทางที่จิตจะไป ให้ปลอดโปร่งนั้นนะไม่มีอยู่แต่ว่าการปฏิบัติเพื่อที่จะดำเนินไปงามในทางจิตนี้หมายถึงทางที่เป็นนามธรรมทางที่เป็นนามธรรมจะต้องอาศัยจิตเป็นเครื่องดำเนินนั้นก็คืออริยมรรคได้แก่มรรคอันประกอบด้วยองค์ทั้งแต่คือสมมาธิฏิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดาริบชอบสัมมาวาจาการใช้วาจาชอบ สัมมากรรมตะการทำการงานชอบสัมมาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าเป็นทางของจิตที่เราจะต้องใช้อยู่เสมออันเป็นส่วนของอริยมรรการดำเนินไปงามหรือมีทางดำเนินไปงามนั้นหมายถึงมีทางทั้ง ทั้งแปดนี้ดำเนินไปงามก็เพราะว่าไม่มีทางอันใดที่จะงามเท่ากับอริยมรรคอริยมรรคนั้นเป็นทางที่งามแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ามีทางอย่างนี้เสด็จดำเนินไปอย่างงดงามเพราะฉะนั้นจึงได้สนามว่าสุ ข, ขโตประการที่สองก็เสด็จไปสู่ที่ดีงามคาว่าเสด็จไปสู่ที่ดีงามนั้นที่ไหนล่ะเป็นที่ดีงาม ที่ที่ดีงามจริงๆนั่นก็คือที่ที่เป็นอมตะที่ที่เราไปแล้วไม่ตายที่ที่เราไปแล้วไม่ตายนั่นคือที่ไหนก็คือพระนิพพานนิพพานนั้นเป็นอมตะธรรมถ้าที่ใดไปแล้วยังตายอยู่ที่นั้นไม่ดีเช่นอย่างเรามาเกิดในโลกมนุษย์นี้จะจับว่ามนุษย์นี้เป็นที่ดีงามแล้วหรือยังเรามาสู่ที่ดีงามแล้วหรือยัง ความจริงที่นำมาสู่โลกมนุษย์นี้ยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีงามไม่ใช่มะสู่ที่ดีงามเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เองมีความตายอยู่มีมรณะเป็นที่สุดเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนไม่มีใครเลยที่ไม่ตายถ้าเราไปเกิดในภูมิอื่นล่ะจะตายไหมไปเกิดเป็นเทวดาที่เราเรียกกันว่าเป็นอมร อ, อมรอหรืออมระเนี่ยปแปลว่าผู้ไม่ตายถึงจะมีชื่อว่าเป็นอมร ก็ยังต้องตายอยู่เทวดาก็ตายแม้จะไปเกิดบนเทวโลกก็ยังไม่ใช่ไปสู่ที่ดีงามเพราะเทวดาเมื่อบทบุญแล้วก็ยังต้องจุติคือตายเหมือนกันถ้าจะไปเกิดเป็นพรหมพระพรหมก็ตายแต่ว่าตายช้ากว่าเทวดาอายุยืนมากขึ้นไปอีกแต่ถึงกระนั้นเมื่อสิ้นบุญสิ้นอายุแล้วพรหมก็ตายเหมือนกัน แสดงว่าลมประโลกนั้นก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีงามไม่ใช่สถานที่ที่ดีงามที่เราจะไปเกิดหรือถ้าในอบายภูมิสี่จะเกิดในนรกจะเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดชานก็ล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดทั้งนั้นดันั้นด้วยเหตุเนี้ยเราจะมองไม่เห็นเลยในภูมิทั้งสามสิบเอ็ดที่เราเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นั้นเมื่อไปเกิดแล้วจะไม่ตาย เกิดแล้วต้องตายทั้งนั้นที่ไหนบ้างที่ไปเกิดแล้วไม่ตายเป็นอมตะก็คือพระนิพพานนิพพานเท่านั้นแหละจึงจะเป็นอมตะธรรมถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานแล้วเราก็คงจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างเนี้ยเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายอย่างเนี้ยไม่มีที่สิ้นสุดเป็นวัฏฏะสุขสารฉะนั้นทางชีวิตที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเนี้ยไม่เป็นสุขโตแต่พระผู้ม